การรมก็อาศัยการพูดบ้างอาศัยการกระทาบ้างในการศึกษาธรรมะเพื่อความสะดวกในการกระทมไม่ใช่สมหาเหมือนสมัยครังพระพุทธเจ้าสมัยเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นนักปวดรเวลาต้องหปี สูมหาเอารุ่นเดาไปผิดทางเสียเวลาหกปีพระองค์ก็บอกว่าทางสุดตรงทางตันทางผ่านได้ถึงจุดหมายปลายทางกว่าจะได้เช่นทางนอดร่มนอดตาย เราจึงสะดวกแล้วทุกวนนนการศึกษาการปฏิบัติเราก็เอาตามที่มันถูกต้องอย่าให้เสียเวลาพระเจ้าก็สแสดงไว้โดยย่ว่าโดยยอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกมีเท่านี้ว ร, ราหาเวเปัญจคันธา วางซะมันก็ไม่ทุกข์การที่จะวางได้ต้องฝึกหัดให้มันเป็นการฝึกหัดให้เป็นนี่ก็ไม่ยากพระพุทธเจ้าก็บอกไว้เลยว่ามีความเป็นอยู่โดยโชอบโลกจะไม่ว่างจากกาอรหัน เมื่อใดภิกษุต้องหลายมีสติมัจจุราชตามไม่ทันอารพิจารณก็ไม่แปดมลอชนิพนญ่าโรยยอมีน้อยอยไม่มากเหมือนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินไปสู่ป่ากับหมู่พระสงฆ์จมน้นมากป่าดี น้มใส่ไหลเย็นเงียบสงบพระองค์ก็กําใบไม้ขึ้นกํำมือหนึ่งชูให้ภิกษุต้องหลายดูภิกษุต้องหลอยใบไม้ในป่ากับใบไม้กํามือเดียวอันไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้กํามือนิดเดียวไม่สามารถที่เปรียบเทียบใบไม้ทั้งป่าได้ นี่หละพิสูุทั้งหลยยายอิ่งที่เราลู่มากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรามาสอนพวกเธอทั้งหลายเพียงใบไม้กับเมรอเดียวนี่ทำยังไงที่จะเป็นใบไม้กับเมรอเดียวเราจะทำตรงไหนเราก็ไม่ต้องคิดเถอะเวงมีสติสติมันคืออะไรคือความลู่โลกโลก มีหน้าโลกโลกถ้ามีความหลงก็ไม่โลบมันก็จุยก็จ่ายมีสติเป็นหน้าลอกอยู่โดยชอบอยู่แบบไม่สติมันหลงลู้เท่านี้เองมันทุกข์ก็รู้เท่านี้เองอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ สภาวะที่รู้สึกตัวฉเฉลยได้ทั้งหมดเป็นตัวฉเฉลยเหมือนสูตรสูตรคูนสูตรคณิตศาสตร์เอาฟ้องออกมีโจทย์มีจำลวยมันก็ได้หลักลงตัวถ้าหลงไม่ลงตัวถ้ารู้ลงตัว มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้หลงตัวอันสุขไม่เป็นสุขแสดงอันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ใหยเป็นสภาวะที่รู้เนี่ยอยู่โดยชอบอยู่แบบนี้ถ้ารู้แล้วเป็นไรมันก็จบเพียนั้นก็เลยขอพูดต่อไปรู้แล้วไม่เป็นมันเห็นสุขรู้มันก็ไม่เป็นสุข มันเป็นสภาวะที่รูป้ไปมันทุกข์รู้สึกตัวมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นภาวะที่รูป้ไปไม่เป็นมันก็เคลื่ อ, อนหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นจากภาวะที่เป็นเมื่อไม่เป็นมันก็ไม่มีพวกม่ชาติชิ่นเวลชื่นกลเคยโกรธก็รู้สึกตัวควมโกรธกลเป็นความโกรธ ชื่นเวนียนชั่วโมงนี้ไม่หลงชั่วโมงหน้าก็ไม่หลงชั่วโมงนี้หลงชั่วโมงหน้าก็หลงไม่ต้องมีเปลนมีกรรมต่อไปความหลงติดตามไปความทุก ข, กตต ข, ก ข, กขก์ติดตามไปความโกรธติดตามไปความโลภความรักความเกยียดชังมากมายติดตามไปที่ว่ามีภพมีภ พ, ม, พมีภูมิ รวมหลงก็เกิดภได้วยหลายภพอมภพอะไรต่างๆมีพบที่ภาษาศาสนาได้ว่าภพสีที่ว <laughs> <laughs> ่าอะสังเสรเจชะกันเจชะโอปปาติกะชิลาพุทธะภาษาไม่รู้ แต่ว่ามันก็อ้างเองนิดหน่อยมันชุม่มมันไม่แห้งสังเสตชะมันเปียกตันตชะก็เปียกทิลาภุยะก็เปียกโอปาติกะก็เปียกชุม่มเกิดได้ถ้าสุข ก, ก็เกิดสุขมันชุม่ม้าทุกข์ก็เกิดทุกข์ถ้าโกรธก็เกิดโกรธ ถ้าโรคเกิดโรคถ้าหลงเกิดหลงร่วยไปมันชุม่มถ้ามันแห้งซะมันก็ไม่มีเชื่อต้องตาเลยเปรีย บ, ทบเทียบว่าตะเขียบหลอดดูจะตะเขียบหลดไหน้อยหนา <c oughs> น้อยหนามันแห้งติดต้นมันไม่มีเชื่อลําต้นก็ไม่ต้อง มีพลังงานต้องเอาน้ําไปหลอเลี้ยงมันติดอยู่เฉยๆเป็นจิริยาตาเห็นรูปเป็นจิริยาหูได้ยินเสียงเป็นจิริยาจมูกได้กลิ่นเป็นจิริยาที่ในรถเป็นจิริยาจีริยาไม่เป็นกรรมเแ็่ได้ว่าการตัดกรรมถ้ามันเปียกมันชุม่มมันก็ ไม่เป็นการตัดกรรมเป็นกรรมที่มีผลอะเนี่รู้จ้าจึงบอกเร า, ออากายสวภาวะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกขาสุขทุกข์ก็สภาวะสุขทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกโ ข, กขางิด ก, ก็สภาวะจิตที่มันคิดไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนโลกขางธรรม ม, มันเกิดข้องามทั้งกาทั้งใจก็เป็นสภาวะธรรม ทำก็มีอะไรเยอะกุศล ค, ความสุขความปิติความเิื่อใจเฉลียวฉลาดอะกุศลความเศ้าหมองง่วงหงอหอนก็เป็นจักรวาลธรมไม่ใช่ความง่วงความเหนียวความสุขควา ม, วามอะไรต่างๆความเิมื่อเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นจักแต่ว่าเนี่ยก็คือคือมันก็อย่างเนี่ย มันไม่ยากนั่งอยู่เฉยๆก็บรรลุทับได้ว่าแต่อย่าเป็นฉักว่ามาอะไรถ้าสักว่าเหมือนกับบอกคืนเหมืนอนโยงมาตอมแต่เราอยู่ในมุกยุมก็ไม่ได้กัดเราแม้มันบินอยู่ข้างนอกเท่าไหรเท่าไรมันก็ไม่ถึงเราเพราะมันมี มุ่งคนมีสติเหมืนนนอนในมุ่งพมีสติมันก็ไม่มีอะไรที่จะหมายเข้าถึงได้มีแต่ภาวะที่ดูแล้วภาวะที่ดูมันไม่เปลี่ยนมันซักสภานนั น, ม, น, นมีที่พึ่งอันกะเกษมที่พึ่งอันสูงสุดจึงพ้นจากทุกจากเกลจยบตายได้ภาวะเนี่ย มันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่เฉยๆนอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่อยู่เฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆชีวิตทั้งชีวิตเป็นจิตยาไม่ชุ่มไม่เปียกไม่มีรสชาติพราะทำรสแบบเนี้ยเป็นรสชาติที่ชนะรสทั้งปวง สัพพะรังธรรมรสโสดีขินาติรสพระธรรมยอม่อมฉันรสทั้งปวงจังรสสดธรรมปางเนยยมันดะรสอริยมันพุทธเจันนี้น่าดื่มเหมือนมันด๊ยอดโอชาแห่งโครสยอดโอชา ว่าที่ไม่เป็นเลมันยอดโอชา่าถ้าว่าที่เป็นมันเหงาแห้แงมันหิวไอหิวมันยังเป็นเป็นผู้สุขหิวขวมสุขเป็นผู้ทุกข์ก็หิวขวมทุกข์เป็นผู้โกรธก็หิวขมโกรธมันหิวก็หิวไม่รู้จกอิ่มถ้าไม่หิวม ก, ม, มก็อิ่มอิ่มเพื่อดีมเลยคือไม่เป็นอะไรชีวิตม้าจะถาน ม้า จ, จะถามของชีวิตอยู่ในทัวมันเองมันไม่ยากหัดก็หัดตรงเนี่ยมันหลงกับลูกง่ายๆแคเนี้ถ้าหลงเป็นหลงยากยากมากสุกเป็นสุข ก, ก็ยากเป็นการบ้านไปเราก็ตกเป็นสุขเราก็เป็นจำเลยของความสุขความสุข ก, ก็บังคับบับใส่เราความทุกข์ก็บังคับบับใส่เรา มันยากให้สมผัตตัวดีๆนะมันจะเบามันไม่มีพละ ว, วางแล้วไม่เป็นคือวางกันตั้งหเป็นของหนักพระที่เจ้าวางของหนักลงเสียแล้วต้องมาหยิบโย่ชวยเอาของหนักขึ้นมาหยิบมันก็ไม่มีอีกแล้วจิตก็เลยพูดให้มันเรียกว่า ดีกว่าโตไปอีกจิตของเราถึงแล้วชั้นสภาพอิเล่ปลงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่พอเท่านี้ไม่พอมันถึงแล้วอนุ ด, ดีก่าเพราะว่าไปเฉยๆนะแต่ไม่ไม่รู้นะอะนุ ด, ดีกว่าคือไม่มีเลยปลงแต่งได้อีกไปมันถึงแล้วซึ่งขวมชิ้นไปแห่งตนานาไม่พอ เอาไปอีกว่าอะไรต่อไปฮะไม่พอเท่านี้ไม่พอคือถึงนิพพานจบกัน้พระเจ้าเสด็ทิ้งของหนักหลงเสียแล้วมันไม่เข้าใจต้งมาหยิบเขยเอาขอึกก้นมกซ้ำลงไปอีกคือจิตถึงแล้วช่งความทิ้นไปแห่งตัณนหนาไม่พอ เอาเขาปีกถือถึงพระนิพพานไปไม่รอดแผ่นดินสุดสุดแล้วจบแล้วเหมนไฟให้มันเย็นแล้วมีอะไรอีกต่อไปเขาว่าเย็นสัมผัสตัวความร้อนเป็นไงจำเขาตรงมาความเย็นไปมันไม่มีรสชาติไม่ใช่เย็นเหมือนน้าแข็งนะเย็นเหมือนน้าแข็งนะ่ะจันตุ้มบังเข้าไปหลงต่อลงไปในน้ํา ไปอบร้อนอบร้อนชิบนาทีอบเย็นสองนาทีเมื่อร้อนเงื่อโซมลมาก็ให้ลงไปแช่น้าเย็นมันก็เหมืนใดลงไปอันใดชั้นที่หนึ่งก็น้าเพียเขาเย็นปวดแล้ววันใดก็ที่สองน้ำไปไหนอันใดกสามไปไปอันใดก็มุดลงไป โอ้เราลงไปสำบัดเย็นเท่านี้ก็ไม่ไหวลว